วัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมันสการพระภูมิพระพัก อระหันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำรรและพระสงค์เป็นสรนักตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมพระบรมศาสดาได้ทรงสอนวิธีที่จะละอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานไว้หลายประการ สแสดงไปแล้วข้อหนึ่งคือละด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นหรือว่าสังวรป้องกันอาสวะที่ยังไม่เกิดม่ให้เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นจึงมาถึงข้อที่สองได้ตรัสสอนให้ละหรือให้สังวรคือระมัดระวังป้องกัน อาสวะที่ยังไม่เกิดไีให้เกิดขึ้นละอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยสังวรคือความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือใจซึ่งเรียกด้วยภาษาธรรมะว่าอินทรีย์สังวร ความสมรวมอินทรีย์เรื่งจะอธิบายข้อนี้โดยจะเริ่มโดยอธิบายคำว่าอินทรีย์ในที่นี้ที่อาจารย์ท่านสอนกันมาให้แปลว่าเป็นใหญ่ โดยอธิบายว่าจักขู่คือตาชื่อว่าอินทรีเพราะเป็นใหญ่ในการดูการเห็นรูปโสตคือหูชื่อว่าอินทรีเพราะเป็นใหญ่ ในการฟังในการได้ยินเสียงฐาหนะคือจมูกได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการสูดดมหรือชราบก ล, าลิ่นคิ้วหาคือเล่นชื้อว่าอินทรีย์ก็เป็นใหญ่ ในการได้ลิ้มหรือได้ทราบรสกายได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการถูกต้องหรือได้รทราบผลธรรมภาคคือถูกต้องมโนโรหรือมณะคือใจได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ ในการได้รู้ธรรมะคือเรื่องราวดังนี้อินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนี้ สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมกูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมวณะคือใจสำรวมอย่างไรก็คือว่ามีความสำรวมคือความป้องกันความระมัดระวังด้วยสติ ในทุกเวลาที่ตากับรูปได้ประจวบกันหูกับเสียงได้ประจวบกันจมูกกับกลิ่นได้ประจวบกันลิ้นกับรสได้ประจวบกันกายและสิ่งที่กายถูกต้องได้ประจวบกัน มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวได้รปจวกกันพระพุทธิได้สั่งสอนไว้ทุกข้อว่าให้พิจารณาโดยแยกขายสํารวมอินทรีย์คือตา ก็คือในขณะที่ตากับรูปไปจวบกันหรือที่เรียกกั น, นง่ายๆว่าตาเห็นรูปก็มีสติคอยสำรวมระวังเอาไว้ไม่ให้ยึดถือสิ่งที่ตาเห็นนั้น เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายอันเรียกว่านำกิเลสให้ไหลเข้ามาท่วมจิตใจสู่จิตใจคือระมัดระวังไม่ให้เป็นอารมณ์ ที่นำความยินดีความยินไล่ไหลเข้ามาสู่จิตใจท่วมจิตใจอันความยินดีความยินไา่ที่ไหลเข้ามาท่วมท่วมจิตใจทางตานี้แหละ ได้ชื่อว่าเป็นอาศวะอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวแล้วคือกิเลสที่ดองจิตใจหรือดองจิตสนันดานก็นไหลเข้ามาทางตานี้นั่นเอง โดยที่ยึดถือเป็นอารมณ์เกิดความยินดีเคยความยินร้ายขึ้นในจิตใจท่วมจิตใจจงเรียกวันนองก็เพ้าะเห็นว่า ทำให้จิตใจนี้แปรปรวนเหมือนอย่างน้ำดองของเมาเดิมก็เป็นน้นธรรมดาและเมื่อมามีเชื่อแห่งความเมาผสมในน้ำนั้น อันเรียกวันดองก็คือว่าผสมอยู่นานๆก็ทำให้น้ำที่เป็นน้ำธรรมดานั้นกลายเป็นน้ำเมาขึ้นมาดังที่เราเรียกกันว่าน้ำดองของเมาซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเม่ยใจ แต่เมื่อมีการกลั่นให้เป็นของเมาขึ้นมาด้วยความร้อนก็เรียกว่าน้ำกลั่นก็คือสุราน้ำเมาที่เป็นน้ำกลั่นเรียกว่าสุราน้ำเมาที่เป็นน้ำดองเรียกว่าเมรัยสุรานั้น คือน้ำกลั่นที่เป็นน้ำเมาก็เป็นจุราทั่วๆไปน้ำดองที่เป็นน้ำเมานั้นก็ป็ น, น้ำกระแช่ส่วนที่เป็นกิเลสนี้เราใช้วงาหารเรียกกันว่าดองกิจสันดาษ ก็คืออารมณ์ที่นำกิเลสเป็นความยินดีอยินร้ายเข้ามาสู่จิตใจทางตาก็มาดองจิตใจอยู่ก็เรียกว่าดองดจิตใจทำให้จิตใจที่เป็นจิตใจเคยเป็นจิตใจปกติก็เป็นจิตใจที่แปรปรวนขึ้นมาเรียกว่าเป็นจิตใจที่มึนเมาหรือโมเมาขึ้นมา หือหากว่าจะใช้โวหารของคำว่าน้ำกลั่นคือสุราว่ามากลั่นจิตใจให้แ ป, ปรรวนคือโมเมาขึ้นมาก็ได้แต่มักจะเรียกันว่าดองดจิตใจจะเรียกว่ากลั่นจิตใจก็ได้เหมือนกันจะหมายว่ากลั่นให้ แปรปรวนมัวเมาขึ้นมาอันเป็นลักษณะของโมหะคือความหลงซึ่งเป็นพื้นของความยินดีความยินไา่ต่างๆแต่ว่าสำดับที่พระพุทธเจ้ากัดสอนไว้ในข้อนี้กันใช้วา่าพิชชาคือยินดีโทมนัสคือยินไาย อันเป็นอาการที่ปรากฏพิจารณาเห็นได้ส่วนอาการที่เป็นความเมาซึ่งเป็นโตัวโมหะคือความหลงอันเป็นพื้นนั้นอาจจะเห็นยากจึงได้ทรงคียเอาความยินดีความยินไล่ซึ่งเห็นได้ง่ายสําหรับผู้ปฏิบัติ พิจารณาได้ง่ายก็เป็นอาสวัคือไหลเข้ามาทางตามาดองจิตใจให้เมาให้ยินดีให้ยินไยหรือกลั่นจิตใจให้เมาให้ยินดีให้ยินไยก็เท่ากัว่าเหมือนยังว่าดื่มโุราเมรัยเข้าไปทางคอดื่มเข้าไป ดาก็เป็นน้ำเมาที่เป็นน้ำกลั่นเมรัยก็เป็นน้ำเมาที่เป็นน้ำดอกก็ทำให้จิตใจแปรปรวนมัวเมาฉันใดก็ดีเมื่อรับอารมณ์คือรูปทางตาเข้ามาโดยไม่มีสติจึงยึดถือ ก็เกิดยินดียินไหลเข้ามากลั่นหรือมาดองจิตใจให้แปรปรวนให้มเมาให้ยินดีให้ยินยดายังนี้เรียกว่าไม่พิจรารณาโดยแยก่คยคือไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสังวรคือสกัดกั้นเขาไว้ จึงได้ยึดถือรูปที่ตาเห็นเป็นอารมณ์ให้เกิดความยินดีความยินร้ายดองจิตใจนี่เป็นอาสวะแต่ถ้าหากว่าได้มีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยกขาย ว่าบัดนี้เรากำลังเห็นรูปดูรูปและรูปที่ดูที่เห็นนี่ก็สักแล้วว่าเป็นรูปไม่ควรที่จะมีความยินดีความยินร้ายคือไม่ควรที่จะยึดถือให้เกิดความยินดีความเกิดความยินร้ายให้ไหลเข้ามา เป็นอาสวะรอง จ, จิตใจคอยมีสติสำรวมระวังพร้อมทั้งบัญญาที่รู้รู้เท่าทันอยู่ดังนี้ก็จะทำให้รูปที่เห็นนั้นก็จับเร็วเป็นรูปไม่ยึดถือเป็นอารมณ์เข้ามา เป็นภาวะดองหิตความที่มามีสติมีปัญญาคอยควบคุมในทุกขณะที่เห็นอะไรอะไรทางตาดัางนี้ก็เรียกว่าพิจารณาโดยแยบขายสำรุมอินทรีย์คือตาทางหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงอะไรอะไรทางหูก็มีสติพร้อมทั้งปัญญา คิดจรงานโดยแยบขายไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองกิจใจได้ทราบเปลิ่นอะไรทางจมูกก็เช่นเดียวกัน มีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยกไขยไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะลองจิตใจได้ทราบรถอะไรทางลิ้นก็เช่นเดียวกันมีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยกไขย ไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะนองอจิตใจได้ทราบอะไรทางกายก็เช่นเดียวกันคือได้ถูกต้องผลสภาสิ่งที่ถูกต้องอะไรทางกายก็ มีสติปัญญาพิจารณาโดยแยกไข่ยึยดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้รู้ได้คิดธรรมะคือเรื่องราวอะไรทางมโนคือใจเขาเช่นเดียวกันมีสติปัญญา พิจารณาโดยแยบไขยไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจความที่อบรมสติพร้อมทั้งปัญญาคอยพิจารณาและลึกรู้ให้ ทราบอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ดังนี้ได้ชื่อว่าสังรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกเล่นกายและมรักคือใจนี่คืออินทรียาสังวรความความสํารวมอินทรีย์ อาสวะยอมป้องกันได้ยอมละได้ด้วยอินทรียสังวร น, นี้ข้อหนึ่งอินทรียสังวร น, นี้เป็นธรรมปฏิบัติอันสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรร ม, มกท่านปวง จะปฏิบัติในสีลจะเป็นปฏิบัติในสิล5ห้าสิลแปดปฏิบัติในสีล1สิบของสามเณรหรือปาฏิโมกข์สองวรรษสิ่งสิ่งที่ความ ร, รวมนี้นเป็นปาฏิโมกข์สำหรับภิกษุซึ่งปฏิบัติตามระวิ น, นยัยบรรดัตดิของพระพุทธเจา้า ก็จะต้องมีอินทรีย์สังวรความทั้งรู้อินทรีย์ดังกล่าวนี้ประกอบอยู่ด้วย <c oughs> การปฏิบัติในศีลทั้งปวงจึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ถ้าขาดอินทรีย์สังวรแล้ว <c oughs> ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติในศีลทั้งปวงให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ และอินทรียสังวร น, นี้ก็จัดเป็นศีลข้อหนึ่งในปาีิสุดที่สีลทั้งสี่อันหนึง่งแม้ในการที่จะปฏิบัติในสมาธิก็จะต้องมีอินทรียสังวรช่วยด้วยจึงจะทำสมาธิได้ถ้าหากว่า ไม่มีอินทรียสังวรก็ไม่สามารถจะทำสมาธิได้เพราะว่าจะระงับนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์ที่เป็นอันตรายของสมาธินั้นก็พรอะขาดอินทรียสังวรนั่นเองก็คือว่า รูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูได้สัมผัสกลิ่นอะไรทางจมกูกได้สัมผัสรสอะไรทางลิ้นได้สัมผสิ่งถูกต้องอะไรทางกายได้รู้เรื่องอะไรที่คิดทางใจก็ยึดถือเป็นอารมณ์ เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายไหลเข้ามาท่วม จ, จิตใจเป็นอาสวะนอง จ, จิตใจจึงได้เกิดเป็นนีวอนต่างๆขึ้นเป็นการมาฉันความพอใจรักใครในกาบ้างเป็นพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุงร้ายหมายลังลายบ้างเป็นถีนมิทธะ ความง่วงวุ่นเครืบเคลิมบงังเป็นปุจฉะกุจฉความฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างเป็นวิจิกิชา้าความเครือบแครงต่างๆบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ายากที่จะระงับกิจลงให้เป็นสมาธิได้กิจก็จะเป็นไปตามอำนาจของนิวรณ์ฟุ้งซ่านไปต่างๆ หรือว่าทาไมฟุ้งซ่านกงงเหงาเขานอนไปหรือไม่เช่นั้นก็เคลือบแคลงสงสัยอะไรไปต่างๆไม่ปักใจแน่นนอนลงไปใจลังเลไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีอินทรีย์สังวรช่วย ผู้ปฏิบัติทำนั่นจึงเว้นอินทรีย์สององปฏิบัติอินทรีย์สังวรมากหรือน้อยตามควรแก่ศีลที่ปฏิบัติและตามควรแก่สมาธิที่ต้องการเมื่อต้องการศีลที่ละเอียดที่สูงต้องการสมาธิที่แน่วแน่ก็จะต้องมีอินทรีย์สังวรอย่างนี้ เป็นการป้องกันมิให้ยึดถือสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางประตูตาหูจมูกล่้งกายอะไรมานะคือใจเข้ามาเป็นอาสวะดองกิจในสมดันได้โดยมีสติพร้อมนั้งปัญญาพิจารณาโดยแยกขายอยู่เสมอกำหนด เลึกให้รู้เท่าทันอยู่เสมอดังนี้อีกประการหนึ่งแม้ว่าในการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องทั่วทั่วไปนั้นแม้ว่าจะไม่คิดว่า จะรักษาศีลจะทำสมาธิจะอบรมปัญญาก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องมีอินทรีย์สังวร น, น้อยหรือมากจึงจะสามารถระคับประคองตนให้ดำรงอยู่อวะ ในฐานะอันสมควรได้และความวุ่นวายทั้งหลายซึ่งบังเกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทำหรือการที่กระทำ ของคนทั้งหลายในโลกนี้อันเป็นไปผพ้เบียดเบียนตนอันเป็นไปผพ้อเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นจากความไม่สำรวมอินทรีย์นี้ทั้งสิ้นดังจะพึงเห็นได้ว่าคนเป็นอันมากที่วุ่นวายกันอยู่ ก็เพราะว่าปฏิบัติตกอยู่ใต้อำนาจของอินทรีย์ทั้งหกนี้คือใต้อำนาจของตาของหูของจอมูกของลิ้นของกายของมัญคือใจไม่เป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกาย และมณะคือใจยกโดยอย่างเช่นว่าปฏิบัติตามอำนาจของตาก็คือต้องไปดูนั่นไปดูนี่ที่ตาอยากจะดู และก็ต้องตกแต่งนั่นตกแต่งนี่ที่ตาเห็นว่าสวยงามต่างๆการตกแต่งต่างๆที่สิ้นเปลืองไปเป็นอันมากก็เพราะต้องการที่จะสนองความปรารถนาของตา ที่จะได้ดูได้เห็นสิ่งที่สวยงามเท่านั้นสมมุติวา่าตาบอดซสียอย่างเดียวแล้วการตกแต่งต่างๆที่ต้องการให้ตาดูตาเห็นว่าสวยงามนั้นก็จะไม่ต้องมีเลยแต่ที่ต้องมีนั่นกเพราะว่าตาต้องการจะดูจึงต้องมีการตกแต่ ง, งต่างๆสำหรับตา ทางอื่นก็เหมือนกันต้องการตกแต่งกันต่างๆสำหรับหูจะฟังต้องเป็นเสียงที่ไพเราะต่างๆอะไรเป็นต้นต้องมีการตกแต่งต่างๆสำหรับกลิ่นที่สุดดมสาหรับเล่นที่จะลิ้มตกเป็นรสต่างๆและต้องตกแต่งต่างๆสาหรับกายที่จะต้อง ตลอดจนถึงต้องตกแต่งต่างๆสำหรับเรื่องที่จะให้ใจคิดเพื่อให้ใจมีความสบายให้ใจมีความสุขมีความเพลิดเพลินเหล่านี้ทุกคนทุกคนจึงต้องเอาใจตาหูจหมูกลินกายและมณะคือใจนี่อยู่เป็นอันมาก และเมื่อสรุปเข้ามาแล้วก็คือว่าต้องเอาใจตัวจิตคือใจนี้เองนั่นเองที่ตองการที่จะได้อารมณ์อันพินที่น่ารับใครประทันัพอใจทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางเล่นบ้างทางกายบ้างทางมนาะคือใจบ้าง อันทําให้จิตใจนี้เองต้องลินรนวัดแกว่งกระสับ ก, กระสายไปเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อผลิตภัณฑ์และเพื่อเรื่องราวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้น ด้วยมีประพุทธภาสิธิ์จัดารเกรียกลียบ เ, เอาไว้ถึงสัตว์หกจำพวกคือว่างูจำพวกหนึ่งที่กิ่งเป็นหาจอมปลวกอันเป็นที่อยู่อาศัย จระเค่จะพวกหนึ่งที่จะต้องวิ่งไปลงน้ำนกจำพวกหนึ่งที่จะต้องบินหวือไปในอากาศไก่จำพวกหนึ่งที่จะต้องบินไปสู่บ้านอันเป็นที่อาศัยหรือที่อาศัยของตนสุนัขจิ้งจอกจำพวกหนึ่งที่จะต้องวิ่งไปสู่ป่าชา เพือคีทิที่ด้จะกินสราบศพต่างๆลิงจำพวกหนึ่งที่จะต้องวิ่งลุกลิดอยู่บนต้นไม้การเปรียบเหมือนอย่างว่าจิตนี้จะต้องวิ่งไปหารูปที่น่ารักาปรารานาพอใจต่าง ก็เหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปหาจอมปลวกจิตนี้เองก็ต้องดิ้นรนที่จะไปที่จะได้อารมณ์คือเสียงที่น่ า, นารักใคร่ปรารถนาพอใจก็เหมือนอย่างจระเข้ที่จะวิ่งไปหาน้ำยมูกคือจิตนี้เอง ดิ้นรนไปเพื่อจะได้อารมณ์คือกลิ่นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจือเหมือนอย่างนกบินมือไปในอากาศกิตนี้เองดิ้นรนไปเพื่อจะได้รสที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางลิ้นเหมือนอย่างไก่ ที่บินไปสู่บ้านหรือที่อาศัยของตนจิตนี้เองดินร่นไปเพื่อจะได้โผลพระคือสิ่งที่กายถูกต้องที่นาละไข่ปรารถนาพอใจทางกายเหมือนอย่างสุนัขสิหนีจอบวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจะกินสาสบศพจิตนี้เองที่ดินร่นไปเพื่อจะได้อารมณ์คือธรรมะคือเรื่องราว ที่น่ารักให้ปรารถนาพวใจเหมือนอย่างวานนอนคือลิงที่วิ่งลุกเล็กไปอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้เองจึงเป็นเหมือนอย่างสัตว์6กจำพวกดังกล่าวมานี่ที่ดินน้นรนกัดแกงกระสอบกระแจไปต่างๆเพื่ออารมณ์ทางทวารทั้งหกนี้ ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นศีลก็ไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้เป็นปัญญาก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องมีอินทรีย์สังวรอยู่ด้วยกันทุกคนมากหรือน้อยจะไม่มีเลยนั่นไม่ได้จะจึงจะดํารงอยู่ได้ด้วยดีและเมื่อ ป, จจปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็าจะต้องมีอินทรีย์สังวร น, นี้ให้มากขึ้น และอินรียูนทั้งวันนี้เองก็เป็นเครื่องละอาสวะอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อที่สองตอกนี้ก็ขอให้